เมื่อวานทางมุกดาหารรองผู้กํากับเดือนนีทไปอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารมอบให้ดูแลเกี่ยวกับเจดีของคุณแม่ชีแก้วที่ดินบ้างนะแต่แต่ลิรเริ่มให้รองนี่นะเป็นผู้ประสานกับเจ้าของที่เขาซื้อที่เจดีของคุณแม่แล้วก็ประสานทางโฉนดทางที่ดินทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหน่อย ก็รองนี่แ่ะเป็นผู้ประสานให้แต่มาคราวนี้ที่ดินของคุณแม่ก็ผ่านไปละเจดีก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วยังมีที่ดินอีกตรงหนึ่งที่บ้านห้วยทรายอะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินประวัติศาสตร์แบะงั้นเถอะนะทำไมจึงว่าเป็นที่ดินของประวัติศาสตร์คือที่ดินตรงนี้สมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาในถิ่นนั้นมาท่านก็มา สร้างวัดที่น้องแวงบ้างไอ้นองแวงก็คล้ๆกับจู่เอกภากถึงห้วยทรายแล้วก็วัดอะไรสองสามแห่งเท่านี้ท่านก็ดูรัชสถานที่ก็ไม่เหมาะมันเทมทําเลไม่ดีท่นี้หลวงปู่บั่นกับพระท่านก็เลยเดินหาสถานที่ทางทิศใต้ของบ้านห้วยทรายมันเป็นที่เนินเลยแถวๆวัดขุนแม่มันเป็นเนินเลย อ่เป็นที่เนินสูงว่างั้นเถะเหมาะที่หลวงปู่มั่นนั่นก็เดินเลาะเรียบหาว่าตรงไหนที่จะเป็นเหมาะเป็นที่ตั้งวัดพระสมัยก่อนบ้านเมืองไม่เจริญมีแต่ทำนาจอกกรอกแจกแหลกหน่อยๆว่างั้นเถอะอ่ที่ว่าทำไรก็คือไม่ใช่ทำไรมันสํำปลังอย่างทุกวันนี้ทำไรเลื่อนลอยทำไร่คามบ้างทำไร่ฝ้ายบ้าง คนละนิดคนละหน่อยไล่เขาโพดพอได้อยู่ได้กินลักษณะอย่างงั้นนะครามนั่นคืออะไรพวกเราคงจะไม่รู้จักนะว่าครามเนะี่ยคือครามหนึ่งแค่ว่าเป็นสีครามสีครามอะไรแก่นั้นนะออกมาจากต้นพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชล้มลุกว่างเงี้ยปลูกขึ้นมาแล้วก็จะทําอพอได้ขนาดกําลังจะเป็นลูกนะเนี่ยก็จะมาตัดตัดตัด แล้วก็มาขดบวนเสจแล้วก็ตอกมัดเราไปแช่น้ำแผ่แช่น้ำสักเดือนหนึ่งว่างั้นเลยน้ํามันจะออกไปน้ํามันจะออกในตุ่มนั่นอนะจากนั้นก็เอาออกเอาเหยื่อมันออกพอแช่เป็นเดือนสองเดือนนะออกเสร็จแล้วเขามีกรรมวิธีเอาปูน ล, ลงไปใส่ปูนขาวนะ่ะปูนเคี้ยวหมกักเราเนะี่ยลงไปแล้วก็เขยา่าเขยา่าขยา่ขยาจากน้ํามันก็เป็นสีดําปิดขึ้นมาเลยว่างั้นะน่ะ อ่างท่านก็ย้อมเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าสีดำที่ว่าย้อมสีธรรมชาตินี่แหละย้อมคลามนี่แหละแต่ไม่ไม่มีสารเคมีว่างั้นเลยย้อมครามเรียกว่าพวกเผาผู้ไทยผู้ไทยดําผู้ไทยดําำคนนะี้แนละย้อมคลามนี่แหละพวกผู้ไทยดํำนะเสื้อผ้าดําปิดปีไม่ไม่มีตกกันแล้วกันวนะ่างั้นเลยแต่ย้อมเสร็จแล้วนี่แหละแต่นี้คุณแม่ชีแก้วเนี่ยสมัยนะั้นท่านก็เป็นสาวอายุสิบหกสิบเจ็ดปี สมัยนั้นใครใครจะเป็นสาวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีสวนฝ่ายด้สวนฝ่ายสวนครามต่อไปก็จะมีครอบมีครัวเป็นฝังเป็นฟ้าเนี่ยก็ต้องหาเองมางั้นะทีนี้คุณแม่จีแก้วท่านก็ให้พี่ชายไปถางที่ให้จุดหนึ่งมางั้นอออยู่ในในในในกลางป่านไปที่จุดหนึ่งทีนี้ก็มีบริเวณอยู่ประมาณสักไม่น่าจะถึงงานหนึ่งมางั้นอะอะ นี่ก็หลวงปู่มั่นท่านก็เดินไปหาบริเวณนั่นแหะที่เนินแถวๆนั้นไปก็ไปเห็นที่ตรงเนี้ยที่มันติ่นเตียนที่เป็นเนินไอ้ที่ที่ไล่คลามเนี่ยท่านหลวงปู่มั่นท่านก็บอกเอ๊ะมันที่ใครว่าตรงนั้นอ่ะเป็นที่กลางอยู่ในป่าเป็นที่เกลียบนะไอ้เตียนดีเขาคือคงจะทําไร่มั่งนางแก้วเนี่ยก็เลยบอกว่าที่ของหนูเนี่ยแหะหลวง หลวงปู่งั้นหลวงปู่อยากจะได้ที่ตรงนั้นใช่ไหมหลวงปู่เอาไหมที่ตรงตรงนั้นเนี่ยหลวงปู่เออถ้าได้ก็ดีว่างั้นตรงนั้นเหมาะดีนะที่เป็นที่เนินสันเนินพอดี พ, ด, พดีว่างั้นนางแก้วเนยก็เลยเออถ้า ง, งั้นก็ขอถวายหลวงปู่เลยแหมหลวงปู่ก็เลยเออถ้าจะถวายก็รับแล้วนะเดี๋ยวจะไปตั้งวัดขึ้นมาตรงนั้นอ่ะพอจุกศิษย์ท่านก็ประมาณ สิบพระ อ, องค์แนหะหลวงปู่มันอ่อจากนั้นนะเออเออรับจากร่นรับท่านก็ให้พรเนาะให้พรคุณแม่เหมืนะั้นน่ะคุณแม่พูดนะเอ่อคุณหมอเป็นสีก็ยังพูดอยู่ให้พรเออแก้วเอ้ยเจ้าเนะี่ยในถวายที่ส ร, รสร้างวัดสร้างวาขอให้เจา้าถึงยังไงยังงาไงไกัเงินคาให้ไหลมาเทมาให้เหมือนน้ำซับน้ำํำสืบนอะเจ้าจะให้อดให้ยาก่ปสั่นเลยเอ่ จะให้เจ้าอัดจะจะจะให้คือว่าอดจากย่าได้มีไว้นั้นให้เจ้าร่ําเจ้ารวยให้ไปเงินคําให้ไหลมาเทมาซึมซับมาแบนคุณแม่เขาหลวงปู่มั่นให้พรสมัยนู้นเลยท่านก็ไม่ให้ร่ําให้รวยนะให้ให้ให้ไหลมาซึมมาให้ไหลเหมือนกันน้ำซับน้ําซึมเราก็เหมือนกันน้ําซับน้าซึมจริงๆไม่พอจะอดจะอยากก็ไหลมาเทมาก็ค่อยๆไหลมาเรื่อยๆแต่ไม่รวยนี่แหละอันนี้ก็คือคุณแม่ จันพูดจากนั้นเขาหลงปู่มั่นท่านก็พาพระมาอยู่ตรงนั้นทเลยเออขึ้นมาสร้างวัดเจ้ว่าวัดหนองนองห น, นองนองนี่คือเป็นหนองชนิดหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละเป็นต้นน่องนะต้นนองก็คือต้นยาพิษชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขาเอามาต้มเคี่ยวอ่เป็นเป็นเถาเป็นเถาเถาวันนะ่ะมาเปลือกมันมาต้มเคี่ยวต้มเคี่ยวเสร็จแล้วก็สําหรับเป็นยาสําหรับ ยิงสัตว์ว่างั้นเถอถ้ายิงสัตว์ใหญ่มันมันไม่เหมือนลูกกระสุนปืนด้วยนะเป็นหน้าแก๊กนะหน้าทโนนหน้าแก้งอนะ่ะถ้าไปยิงเสือยิงหมูยิงอะไรก็ตามพอยิงเสร็จแล้วเนะนี่ยนะอน้ําน่องตัวนี้แหละน้ํายาพิษตัวนี้มันจะไหลวิ่งเข้าไปหาหัวใจเลยตัดเลือดหัวใจตายว่างั้นเถะเรียกว่าน่องตัวนี้เรียกว่านองน่องนะมันเป็นเป็นเครือเถาวันชนิดหนึ่งอยู่ใน ในหนองใกล้ๆที่หลวงปู่ไปสร้างวัดนะ่ยก็เลยตั้งชื่อว่าวัดหนองนองจากนั้นท่านก็มีพระทั้งหมดมากนะบริเวณนั้นรวมไปถึงบางครั้งถึงสามสี่สิบสี่ห้าหกสิบห้าหกสิบองค์อยู่บริเวณนั้นที่เป็นเนินจุดนั้นจุดแท้แต่องค์ไหนจะสร้างกระตบกระแท็บองค์ไหนพักอ่างั้นนะพอต่อมาแล้วก็หลวงปู่ออกไปแล้วก็หลวงปู่ฟันไปอยู่ หลวงปู่ฟั่นจำบัญษาจุดนี้ว่าถ้าจำไม่ผิดในประวัติของท่านสามปีนะไอ่อยู่บริเวณอยู่วัดหนองน่องเนี่ยเอ้จอต่อมาอีกก็มีใครมาจำบัญษาอีกผลที่สุดก็มีจานพันจานพันผู้ที่ไปสร้างภูเก้าที่อยู่กับคุณแม่นะจากนั้นก็ย้ายจากหนองน่องขึ้นไปอยู่ภูเก้าคุณแมก่กับคุณย่าหลวงพ่อเนี่ยก็เลยขึ้นไปอยู่ที่ภูเก้า พอจากนั้นมาพอผมฟัดล้างบ่เนี้ยพอวัดล้างเหี่ยชาวบ้านก็เลยเข้าไปถางไร่ทําไร่ทําสวนนะบ่เนี่ยมันแย่งกันขึ้นมาเลยเนะทีเนี่เพราะว่ามันมันที่มันแับแคบคนคนมันมากขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เลยคนก็เลยขยายออกไปก็เลยทําเป็นไร่เป็นสวนมะม่วงมะม่วงสวนอะไรขึ้นมาพุทธศตรก็แบ่งกันชาวบ้านก็แบ่งกันจุดแท้แต่ใครจะเอาตรงไหนมันกัน จากนั้นก็เลยพอต่อมาเนี่ยเขาก็เลยประกาศประกาศเป็นโฉนดนะเอชาวบ้านเขาก็ขึ้นโฉนดเป็นของตัวเองเลยแต่ที่ตรงนั้นทีนี้พอหลวงพ่อไปสร้างเจดีคุณแม่ชีแก้วทีนี้พวกพระพวกอะไรก็เอ๊ะได้ยินแต่ประวัติตาศาสตร์ว่าหนองน่องหนองนอ ง, นอ ง, นองมันอยู่ตรงไหนแต่ชาวบ้านก็ผู้ที่ยังไม่ตายก็มีอายุแปดสิบเก้าสิบปีรุ่นหลวงปู่จามเลยรู้แล้วงั้นะ ท่านรู้เลยว่าน้องน้องอยู่ตรงไหนเขาก็เลยไปชี้ให้ดูวันเนี้ยหลวงปู่มั่นกุฏิหลวงปู่มั่นอยู่ตรงนี้หลวงปู่ฟันจำบันสาอยู่ตรงนี้อะไรลักษณะอย่างนั้นหน่อห้องน้ําห้องส้วมอยู่ตรงนี้บ่อน้ําอยู่ที้บ่อน้ํายังมีอยู่บ่อน้ํายังเห็นอยู่ที่ที่ขุดดินขุดลงไปแล้วเพื่อเพื่อใช้น้ำเหมือนกันเถะแล้วก็หลุมส้วมอยู่ตรงนี้ซาลาอยู่ตรงนี้เขาก็วาดแต่นี้ก็เลยพวกพระเขาถึง่อย่างไงท่านอาจารย์น่าจะ หรือเป็นประวัติศาสตร์คืนมาเพราะว่ามันเป็นวัดเก่าแก่ของพ่อแม่กูบายอาจารย์เราองค์ไหนก่อบอกว่าพันปอสท่านั้นจำภาษาที่วัดหนองน้องบ้านห้วยทรายแต่ใครก็มาถามว่าวัดหนองน้องอยู่ที่ไหนไม่ใช่วัดหลวงปู่จามเลยวัดหลวงปู่จามอีกวัดถึงสร้างใหม่ของหมู่บ้านแต่วัดหนองน่องเนงี่ยชาวบ้านหกเขาปเป็นเป็นที่ดินของเขาแล้วแต่นี่ก็เลยอยากจะให้ พวกพระก็เลยอยากจะลืบประวัติศาสตร์เขาก็ให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าแต่นี้หลวงพ่อเออเอาเจราจากันเลสิก็เป็นไปได้อะแต่ผมเนี่เหนื่อยแล้วพอสร้างเจดีย์ของคุณแม่ก็ใช้กำลังมามากแล้วทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งจตุปัจจัยจากที่ไหนต่อที่ไหนตาไม่จริงตรงนี้ก็อยากจะได้อยู่แต่ว่า มันหนักสําหรับผมเกินไปแล้วผมก็ไม่อยากจะยุ่งละแต่ให้คนอื่นทําซะแต่มีประโยชน์ไหมผมก็ว่ามีประโยชน์เพราะว่ารื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของพ่อแม่กรูบายจารย์คืนผมก็เห็นด้วยแต่จะให้ผมเข้าไปแบกอีกผมคงไม่ไหวกระมังหมูเพื่อนเลยอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ออกลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าจะให้ผมทิ้งทีเดียวผมก็คงจะไม่หลักนะแต่ผมก็ยินดีแต่จะให้ผมเข้าไปแบกอย่างเก่าไม่ได้ เจรจากันดูตอนนี Actually, mm ้พอหลวงพ่อเจรจาทีนี่พอหลวงพ่อเนี่ยเขาว่าเป็นเงินเจ้าถุงเจ้าถังทีนี่พอซื้อเจดีย์ของคุณแม่ที่ดินเจดีย์ของคุณแม่แล้วเขาว่าหลวงพ่ออินไม่อดเงินทีนี่เขาก็เลยขึ้นราคาโอ้ฟังไม่ได้เลยงั้นหลวงพ่อก็เลยลึกลุกหนีกลางวงเลยงั้นเนียพรก็เรียกราคาขึ้นมาหลวงพ่อโอ้ยฟังไม่ได้ลุกกลางวงเลยไม่ได้ม่ได้ไม่ได้พูดภาษาอะไรของใหม่ลูกนี่บ้าปะ จานั้นหลวงพ่อก็เลยปิดเงียบผมไม่พูดะอ่ผมไม่พูดในเรื่องนี้เอาให้พวกท่านทั้งหลายพูดก็แล้วกันเจริจาก็แล้วกันผมไม่พูดถ้าผมพูดขึ้นมามันราคาแพงจากนั้นพวกพระก็เลยกับรองจิตนี่แหละกับพวกพระฝ่ายพระก็เลยไปพูดกันพูดไปพูดมาเขาก็เลยตกลงได้เหมือนกับของคุณแม่นั่น แ, ลแล 4, 50, หละไล่ละสี่ห้าหมื่นรวมแล้วเดี๋ยวนี้ ได้ที่ประมาณเก้าไร่กว่าเนอะ้าเก้าไร่กว่าเก้าไร่กว่าเนี่ยประมาณเจ็ดแสนกว่ากว่าเหมือนกันนะเพราะมันมันมันก็แพงบางไร่ก็แพงเหมือนกันแต่เขาก็เลยมัดจํากันไว้ทางทนู้นช่วยกันซื้อที่มัดจํากันทางโดที่สุกหมดไปสามแสนสามแสนเศษเศษแต่วันนี้เขาก็เลยบอกมาวันหลวงพ่อเออหลวงพ่อ ให้โอนปัจจัยไปอีกจ่ายแหละท่านนี้ว่าจ่ายจ่ายเงินจริงเขาก่อนมัดจำบัดรที่จ่ายจ่ายที่ยังจำนวนที่ยังขาดอยู่ทันรัตนา ก, ก็เลยพิมพ์ให้หลวงพ่อดูเมื่อวานเพื่อจะได้โอนหลวงพ่อดูดูแล้วประมาณสามแส0เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยกว่าบาทมาสามร้อยห้าสิบถ้าลงพ่อจำไม่ผิดนะ อนี้แหละวันนี้เขาคงจะได้ไปโอนให้เขาแต่โอนเข้ามาแล้วก่อนคณะกรรมการทางนู้นเขาก็บอกว่าถ้าเป็นที่แล้วหลวงพ่อจะให้เป็นที่สาขาบ้านห้วยทายเรียกว่าให้เป็นหรือเอาไว้ก่อนถ้าเอาไว้ก่อนคล้ายๆวะให้เป็นวัดเก่าเลยยกให้เป็นวัดขึ้นมาอีกขอเป็นวัดเก่าถ้าว่าเป็นสาขาขึ้นต่อสาขาเนี่ยก็มันจะไม่เป็นวัดนมอืำหลวงพ่อก็เลยมาพิจารณาดูแล้ว ถ้ามันเป็นวัดสาขาหนคอยแคๆว่าปลูกผูกติดผูกติดกับวัดใดวัดหนึ่งเอาเถอะให้อิเป็นอิสระสิเป็นอิสระดีกว่าเนีคือให้เป็นอิสระซะคล้ายๆเราให้มันให้เป็นให้เป็นที่สาธารณะขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้ขอเป็นวัดหรือจะว่าเป็นที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาหลวงปู่มันหรือหลวงปู่ต่างๆขึ้นมาก็ได้เพราะมันใกล้ๆกับ เจดียของคุณแม่ห่างกันเพียงเกือบกิโลกว่าเองก็เลยตกลงกันว่าให้มันเป็นที่เป็นที่สาธารณะของวัดะไม่ขึ้นต่อวัดใดวัดหนึ่งแต่ก็ให้ให้มีเป็นเจ้าของสักคนหนึ่งซะสมมติเลเอาให้อาจารย์อุทิตเนี่ยนะพออลงเรียนมัทหนองเอียนดงที่เป็นน้องชายของหลวงพ่อลูกของอ้าวกั้น ลูกของโยมอาเป็นน้องสาวของยายม่วงเป็นพออก็อให้เขาเป็นเจ้าของที่ไว้ก่อนจากนั้นก็คณะกรรมการจึงจะโอนเข้ามาเป็นที่สาธารณะต่อไปโอนก็ไม่ยากหรอกพอให้เป็นเขาเป็นเจ้าของซะก่อนจะนด้งไงเป็นตัวตนซะก่อนจากนั้นเขายังค่อยรวมกันแล้วยังค่อยให้เป็นที่สาธารณะอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นประวัติศาสตร์วัดเก่าแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเริ่มกองทัพธรรมกองทัพธรรมในยุคสมัยนั้นกองทัพธรรมสมัยยุคเริ่มต้นว่างั้นแหละหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบสรุปแล้วคุณแม่บอกว่าคุณย่านะคุณย่าของหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าพระสมัยนั้นเจ็ดสิบกว่าองค์นะที่มาอยู่บ้านห้อยทรายไม่ใช่น้อยนะ แล้วก็ถา ม, ค, มาคุณแม่เอาคุณแม่เอาคุณย่าเอาอะไรเลี้ยงพระสมัยนั้นไม่มีอะไรแล้วมีแต่มักมีเนาะงั้นมักขนุนนี่นะเออเอามักขนุน ม, ก ม, ม, ม, ม, ม, ม, มากกระยำยำยำยยำอะไรก็ถากระกระยแกงใส่ฮเกลือใส่ปลาระใส่ผักสะอมเหมือนกันเออมีแต่พระพระหนุ่มทั้งนันมีแต่ครูบาทั้งหมดเหมือนกันครูบาชอบครูบาเทศครูบาฟันทั้งหมดเหมือนกันแตสมัยนั้นก็ประมาณสามสี่พันศาห้าพันศาเนี่ย พอมาถึงยุคนี้เป็นหลวงปู่ทั้งหมดเลยงั้นเนี่ น, น, นั้นก็คือเป็นจุดประวัติศาสตร์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นหลวงพ่อก็เลยเออก็ดีให้เป็นเลื้อฟื้นคืนมาก็ดีเหมือนกันนั่นแหละกระาต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีกำลังนะก็คงจะขยายออกไปอีกเพราะว่าก้าวไร่หนูสิมันจะจะแคบเกินไปและอีกอย่างหนึ่งที่มันก็ยังกว้างอยู่ ตรงนั้นเป็นที่ไร่ของเขายังไม่ได้ทำมาลายยังเป็นที่ไร่อยู่ถ้ามีเงินก็คงจะขยายออกไปแต่ไม่จะไม่อยากจะพูดเดี่ยวนี้แนละ้วันถ้าพูดก็โตก็ตากเดี๋ยวมันกระโดดขึ้นเกินไปวนะัานั้นอันนี้ก็คือเล่าความหลังให้ฟังเป็นประวัติศาสตร์วันนี้ก็จะได้ไปพิจารณาในเรื่องนี้แหละแต่ปัจจัยจำนวนนี้ก็มีผู้สมทบนะพอพูดเข้ามาแล้วกับคนนั้นบางคนนี่บางโดยมาก จะเป็นพวกคณะรถไฟช่มากกว่าที่ยื่นเข้ามาแต่หลวงพ่อเกิดหลวงพ่อเขาก็ถามมาหลวงพ่อจะรับอย่างไรรับไม่อัานออกมาเลยผมไม่ใช่จะจบอยู่เพียงแค่นั้นต่อไปก็คงจะเป็นทําถนนเข้าไปถนนเข้าไปเสร็จแล้วคงจะทํารัวร้วอทํารั้วรอบขอบชิดเมื่อทํารั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีอะไรขึ้นมาบ้างสระสะารเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยอาจจะมีลูกเหมือนลุงปู่เพื่อคนได้ไปกราบไปไหว้ อย่างน้อยกับไปกราบเจดีของคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบตรงนั้นอีกกราบสถานที่ประวัติศาสตร์ที่หลวงปู่หลวงตาที่ท่านสร้างเอาไว้ที่พ่อแม่กูบายจันหลวงปู่หลวงตาที่ท่านจําพรรษาตามประวัติที่ท่านได้เขียนเอาไว้ก็จะได้ไปกราบสถานที่ของท่านอีเป็นการลําลึกถึง อันนี้ว่าอนุสติลำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคสมัยท่านบุกเบิกเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลก็ดีเหมือนกันนั่นแหละในหลวงพ่อก็สายจะว่าไปแล้วก็แบกหลายบาเหมือนกันนาะอ่ารับพรในตนนี้อ น, นุมโมทนาย